องหน้าแห่งรัตนโกสินนั้นเป็นของสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิหานาถในรัชกาลที่1ซึ่งท่านเองก็ทรงรักทรงห่วงมากไม่อยากให้ตกเป็นสมบัติของคนอื่น จึงทรงสราบแช่งไว้อย่างสาหัสบอกว่าถ้าผู้ใดมีใช่เชื้อสายหรือเป็นเจ้าของมรบครองขอให้มีอันชิบหายตายโหงสามชั่วโคดแล้วก็ส่งอารัธนาสงสวดยติคำสาบด้วยหลังเสด็จสวรรคตแล้วก็ไม่มีผู้ใดในี่กล้ารับเป็นเจ้าของครอบครองแม้พระเจ้าอยู่หัวก็ไม่มีพระราชประสงค์จะให้วิบัติตกแก่ผู้ใดเพราะเกรงคำสาบนั้นจนกระทั่งรัชกาลที่ห้ค่ะ ท่านได้ส่งยกเลิกตำแหน่งวังหน้าหรือว่าตำแหน่งกรมพระราชวังบวรแล้วก็ไม่มีท่านผู้ใดกล้ารับเป็นเจ้าของครอบครองจนเปลี่ยนแปลงการปกครองทางราชการจึงต้องปรับใช้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติมาจนถึงทุกวันนี้แต่ก็มีที่ปลายวังนะคะแสดงความขลังให้ปรากฏโดยท่านปรีดีพนมยงได้ใช้เป็นที่ทาการของนายก ซึ่งในที่สุดท่านปรีดีผู้มีคุณูปการยิ่งต่อชาติก็มีอันเป็นปายท่านปรีดีต้องลี้ภัยไปอยู่ในต่างประเทศจนตลอดชีวิตซึ่งครั้งนั้นพันโทชาติชายชุนหวันเอารถถังบุกพังทำเนียบท่าช้างวังหน้าเพราะว่ามีการรัฐประหารนี่ก็แค่ที่ปลายหน้าวางังข้างที่อาบน้ำช้างเท่านั้นท่าตรงที่ตั้งวังจะขนาดไหนคะของใหญ่ของโตของกูดีๆของกูสร้างใครไม่ได้ช่วยเข้าทุนอุดหนุน กูสร้างขึ้นด้วยกำลังของข้าเจ้าบ่าวนายของกูเองนานไปใครไม่ใช่ลูกกูเข้ามาเป็นเจ้าของครอบครองขอผีสางเทวดาจงบันดาลอยาให้มีความสุข นี่เป็นพระราชดำรัสของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาฏขณะที่ท่านได้ทรงประชวรนะคะแล้วก็ได้เสด็จประทับบนเสลี่ยงบันทมพิงขเนยให้มหัดเล็กเชิญเสด็จทอดพระเนตรรอบๆพระราชวังบวรณสถานมงคลซึ่งพระองค์ทรงสร้างขึ้นด้วยความคิดแล้วก็เรี่ยวแรงของพระองค์เอง กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาฏเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชส่งร่วมกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกู้เอก ร, ราชของชาติพมา่าและร่วมกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ส่งสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีใหม่ซึ่งขณะนั้นบ้านเมืองก็กําลังตกอยู่ในภาวะยุ่งยากแล้วก็อันตราย เราว่าต้องสร้างเมืองใหม่แล้วก็ทำสงครามกับพม่าซึ่งพยายามที่จะกลับมามีอำนาจเหนือประเทศไทยอีกครั้งท่ามกลางความยากลำบากนั้นกรมพระราชวังบวรมหาสุระสิงหานาถในตำแหน่งพระมหาอุปราช ได้โปรดสถาปนาพระบวรราชวังขึ้นในบริเวณที่เคยเป็นพระนิเวศเดิมแต่ครั้งยังเสด็จดำรงพระยศเป็นเจ้าพระยาสุรสีทรงสร้างพระบวรราชวังนี้อย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ประณีตบรรจงด้วยหวังจะได้ทรงอยู่อย่างเป็นสุขในบ้านกลายพระชนชีพ แต่การก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ทรงไว้นะคะเพราะว่าหลังจากที่ดํารงประยศกรมพระราชวังบวรได้21ปีพระชนมายุได้60สพรรษาก็ทรงประชวรเป็นพระโรคนิ่วเล่ากันว่าทรงทั้งห่วงแล้วก็ห่วงพระราชวังที่ทรงโปรดให้สร้างเมื่อเวลาประชวรหนักอยู่นั้นก็ได้กราบบังคมทูลขอพระราชฐานต่อสมเด็จพระเชษฐาให้พระโอรสและก็พระธิดาของพระองค์ได้ประทับอยู่ในวังหน้าต่อไป แต่ก็มีเรื่องเล่าลือให้ถึงพระเนตรพระการค่ะว่ากรมพระราชวังบรวรได้ออกพระโอษฐ์ตรัสสาบแช่งในขณะที่ประชวนและเสด็จทอดพระเนตรรอบๆวางไว้นะคะว่าของเหล่านี้กูอุตสาห์ทมด้วยความคิดและเรี่ยวแรงเป็นหนักหนา หวังจะอยู่ชมนานๆก็ไม่ได้ชมของใหญ่ของโตของกูดีๆของกูสร้างใครไม่ได้ช่วยเข้าทุนอุดหนุนกูสร้างขึ้นด้วยกำลังฆ่าเจ้าบ่าวนายของกูเองนานไปใครไม่ใช่ลูกกูเข้ามาเป็นเจ้าของครอบครองขอผีสางเทวดาจงบันดาลอย่าให้มีความสุขเมื่อสมเด็จพระราชวังบวรเสดสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดตั้งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรเป็น พระโอรสพระองค์ใหญ่นะคะก็ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลแทนครั้งนั้นคุณเสือพระสนมเอกก็ได้กราบทูลขอเชิญให้เสด็จกรมพระราชวังบวรองค์ใหม่เนี่ยไปประทับอยู่ที่พระบวรราชวังแทน แต่ว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชไม่ทรงเห็นด้วยเพราะทรงรำลึกถึงคําตรัสสาบแช่งจึงมีพระราชดำรัสบอกไปนะคะว่าไปอยู่บ้านช่องของเขาทําไมเขารักแต่ลูกเต้าของเขาแช่งเขาชักเขาไว้เป็นหนักหนาก็เลยโปรโดให้กรมพระราชวังบวรใหม่ประทับอยู่ที่พระราชวังเดิมจนเสด็จถลิงทวันราชสมบัตินะคะครั้นในราชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธทเลิศล้า น, นภาลัยโปรโดเก้าปรดกระหม่อม ตั้งสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์เป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ พระด âm รศัพท์แช่งยังเป็นสิ่งที่ทุกคนเกรงกลัวพยายามหาทางเลี่ยงคํำสาบนะคะโดยทรงอภิเสกสมรสกับพระธิดาในกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาฏเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นลูกเขยเพื่อเป็นการผ่อนปรนเลี่ยงพระด âm ตรศัพท์แช่งอย่างแยบยนตครั้งแรกทรงตั้งพระไทยนะคะว่าจะอภิเษกกับเจ้าฟ้าหญิงพิ่กุลทองพระธิดาซึ่งประสูติแต่เจ้าสิริรสจาพระคณิธฐาของพระเจ้ากาวิละเมืองเชียงใหม่แต่ว่า เจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ก็ได้สิ้นพระชนสัก่อนจึงส่งอภิเศกกับพระธิดาองค์อื่นของพระองค์เจ้าของวังแทนกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ดารงเป็นพระยศเป็นกรมพระราชวังบวรได้เพียง8ปีค่ะก็เสด็จสวรรคตเมื่อพระชนมายุได้44พรรษาแล้วก็ในรัชสมัยนี้ก็ไม่ได้ทรงแต่งตั้งท่านผู้ใดเป็นกรมพระราชวังบวรแทนจนสิ้นรัชกาล ทีนี้ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้โปรดแต่งตั้งกรมหมื่นศักดิ์ดีพนเสพหรือว่าพระองค์เจ้าอรุณโนไทยพระราชโอรสในรัชกาลที่หนึ่งซึ่งเป็นพระปิตุลารุ่นเล็กมีพระชนสาใกล้เคียงกับพระองค์ให้เป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์ดิพนเสพ กรมพระราชวังบวรนะคะพระองค์นี้ก็ได้ทรงใช้วิธีผ่อนปรนเลี่ยงคำสาบด้วยการอภิเสกสมรสกับพระองค์เจ้าดาราวดีพระธิดากรมพระราชวังบวรสุรสิงยหนาฏประสูตแต่เจ้าจอมมันดาน้อยทรงอยู่ในตําแหน่งกรมพระราชวังบวรได้เพียง8ปีก็เสด็จสวรรคตค่ะเมื่อพระชนมาายุได้47่สิบเพันปีแล้วก็มีได้ทรงแต่งตั้งพระราชวงศ์พระองค์ใดเป็นกรมพระราชวังบวรจนสิ้นรัชกาล ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าหจุนทามณีกรมขุนอิสเรตตรังสรรดํารงตําแหน่งกรมพระราชวังบวรแต่โปรดให้เพิ่มพระเกียรติเทียบเท่ากับพระมหากษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีวิธีผ่อนปลนเลี้ยงพระดํารัสคำสาบด้วยการโปรดให้พราหมณ์ทําพิธีฝังอาถรรพ์ใหม่ทุกป้อมทุกประตูรวม80ล ก่อนที่จะโปรดให้สร้างพระราชมณีนพระที่นั่งและพระตำหนักต่างๆพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ที่นี่นะคะได้18ปีก็ทรงเสด็จสวรรคตค่ะครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์เสด็จถลิงทวันราชสมบัติตั้งแต่พระชนมายุเพียง1 5พรรษา สมเด็จเจ้าพระยาบรมมาหาศรีสุริยวงศ์ในฐานะผู้สําเร็จราชการแผ่นดินก็ได้ร่วบรัฐแต่งตั้งพระองค์เจ้ายอดยิ่งยศพระราชะโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเป็นกรมพระราชะวังบวรวิชัยชาญและก็มีเรื่องเชื่อกันนะคะว่าเป็นอาถรรพ์ของวังหน้าอีกครั้งเมื่อเกิดความขัดแย้งกัน ร, ระหว่างวังหลวงกับวังหน้าซึ่งหากเหตุการณ์ยืดเยื้อต่อไปอาจร้ายแรง ถึงขั้นเสียเอกราชให้แก่จกักรวรรดินิยมตะวันตกกรมพระราชวังบวรวิชัยชานอยู่ในตำแหน่งได้15ปีจึงที่วงคตทำให้ยิ่งตอกย้ำความเชื่อนะคะว่าตำแหน่งวังหน้านี้มีอาถรรพ์อันเกิดจากพระดารัสสาปแช่งของกรมพระราชวังบวรมหาสุระสิงหานาถ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตรหนักพระไทยถึงปัญหายุ่งยากที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงโปรดให้เลิกตำแหน่งนี้และโปรดสถาปนาตำแหน่งรัชทายาทใหม่ก็คือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารขึ้นแทนเรื่องราวของความเชื่อเกี่ยวกับพระราชดำรัสที่ว่าของใหญ่โตของกูดีดของกูสร้าง ใครไม่ใช่ลูกกูเข้ามาเป็นเจ้าของครอบครองขอผีสางเทวดาจงบันดาลอย่าให้มีความสุขก็เสื่อมคลายสูญสิ้นไปตั้งแต่ครั้งนั้นค่ะอีกวังหนึ่งที่มีความอาถรรพ์ไม่แพ้กันนะคะคุณผู้ฟังนั่นก็คือวังเพชรบูรณ์ค่ะเป็นที่ตั้งของเซนต์ทันเวิลในทุกวันนี้ซึ่งเดิมทีวังเพชรบูรณ์นี้นะคะเป็นของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุทาทุทราดีโลกในรัชกาลที่ห้า บริเวณตั้งแต่วังสะปทุมยาวเรียบคลองแสนแสบไปถึง4ี่แยกราชประสงค์ในปัจจุบันในอดีตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าให้ขุดสะใหญ่สองสะใกล้กันปลูกบัวงามสะพรั่งเป็นที่น่ารื่นรมแล้วก็ได้ทรงใช้เป็นสถานที่ประพาสและประทับพักผ่อนอิริยาบถในฤดูร้อนซึ่งเรียกว่าวังสะปทุมบนเนินดินที่ได้จากการขุดดินสะนะคะโปรดให้ปลูกพลับพลาสองชั้นแล้วก็เรือนบริวารหลวงนายร ได้เล่าเรื่องนี้ไว้ในหนังสือเรื่องเก่าๆของเจ้านายโดยสำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กค่ะบอกว่าโปรดให้สร้างสถานที่สำหรับทรงปฏิบัติภาวนาตามลำพังลักษณะคล้ายกับถ้ำเล็กๆพอนั่งได้เฉพาะพระองค์เดียวก็เรียกว่ากุดค่ะคำว่ากุฎนี้ไม่มีสระอีเพราะว่าเป็นคนละคำกับคำว่ากุติที่แปลว่าเรือนหรือที่อยู่ของพระภิกษุ กุฎนี้เมื่อสิ้นรัชกาลที่สี่แล้วก็ถูกทิ้งไว้เฉยๆท่ามกลางความรกชัดของที่ดินจนถึงรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็พระราชทานที่ดินบริเวณนี้ให้แก่พระอนุชาก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าจุธาธุทธรารดีลกเพื่อเป็นที่สร้างตำหนักประถมตำหนักแรกเป็นวังที่ประทับเป็นตำหนักไม้งดงามซึ่งเรียกว่าวังเพชรบูรณ์ค่ะ ต่อมาพระธายาทได้รื้อถอนไปปลูกไว้ในที่ดินในซอยอัคนีถนนงามวงวานจังหวัดนนท บ, บุรีนะคะโดยภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ดินวังเพชรบูรณ์ก็ตกเป็นของสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมห า, หากษัตริย์จนถึงปีพุทธศักราช2525เอกชนก็ได้มาเช่าทําศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัตรอดีตผู้จัดการมรดกสมเด็จเจ้าฟ้าจุธา ท, ทธุทราดีโลกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชายัยก็เคยเล่าถึงเรื่องอาถาร ของวังเพชรบุญเอาไว้ค่ะว่ากุฎซึ่งพระบาทสนในพระจอมเกล้าทรงสร้างขึ้นนั้นต่อมาได้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของวังเพชรบุญทานองว่าศาลพระภูมิเจ้าที่ของวังแต่เมื่อมีการสร้างศูนย์การค้ามีการปรับพื้นที่ในบริเวณวังรถแท็กเตอร์ก็ได้ไถทําลายศาลอย่างราบคาบโดยที่ผู้ควบคุมการก่อสร้างไม่ได้ฟังคําทักท้วงของท่านเลยแม้แต่น้อย การทำลายกุฎของพระจอมเกล้าเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้มีการพูดถึงอาถรรพ์ของวังเพชรบูรณ์แต่ว่ามีผู้รู้หลายท่านค่ะกล่าวว่าอาถรรพ์นี่หากจะมีน่าจะมีมาจากคำสาปแช่งของท่านเจ้าของวังความเชื่อเรื่องนี้ก็เลยเชื่อมโยงมาจากคำสาปแช่งของวังหน้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์หรือสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงขนาธพระอนุชาคู่พระไทยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกค่ะ สำหรับวังหน้านั้นนะคะก็ตั้งอยู่ใกล้ๆกันกับวังหลวงซึ่งในอดีตนั้นกรมพระราชวังบวรก็ได้ทรงโปรดปรานแล้วก็ห่วงแหนมากโดยทรงเกรงว่าเมื่อสวรรคตไปแล้วเนี่ยวังเนี่ยจะตกเป็นของผู้อื่นก็เลยได้สาบแช่งเอาไว้อย่างรุนแรงต่อไปนะคะภายภาคหน้าว่าหากผู้ใดไม่ใช่เชื้อสายของพระองค์มาครอบครองก็ขอให้มีอันต้องชีบหายตายหงไปสามชั่วโคตรแต่ว่าได้ทรงไม่ได้ทรงสราบแช่งไว้เฉยๆนะคะยังทรงอาราธนาพระสงฆ์มาสวดญติ คำสาบสำทับด้วยเมื่อวังหน้าเสด็จสวรรคตรก็เลยไม่มีใครแม้แต่เจ้านายเชื้อสายของพระองค์จะกล้ารับเป็นเจ้าของปกครองสืบต่อกันมาดังที่ได้เล่าให้ฟังกันไปค่ะซึ่งภายหลังนะคะการเปลี่ยนแปลงการปกครองทางการก็เลยต้องใช้วังหน้าเนี่ยเป็นพิพิพธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติแล้วก็โรงละครแห่งชาติค่ะ การเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองที่ดินเดิมวังเพชรบูรณ์อีกหลายช่วงจนกระทั่งมาเป็นศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์พลาซาทำให้เล่ากันอีกกระแสะหนึ่งค่ะว่ามีการสร้างเทวรูปพระตีมุรติขึ้นมาเพื่อแก้อาถรรพ์พระตีมุรติคือปางอวาตารของสามเทพผู้ยิ่งใหญ่ในศาสนาพราหมณ์พระพรมผู้สร้างพระนารายณ์เป็นผู้ปกครองและพระอิศวรเป็นผู้ทำลายรวมเอาไว้ในองค์เดียวกันค่ะ แต่ผู้คนมากมายที่แห่กันไปกราบไหว้กลับเชื่อกันนะคะว่าพระตีมุรติเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งความรักสามารถดลบันดาลให้ผู้คนเนี่ยสมหวังในความรักได้แล้วก็มีธรรมเนียมปฏิบัติกันซึ่งยังหาผู้ริเริ่มและก็ที่มาไม่ได้บอกว่าทุกคืนวันพฤหัสบดีเวลาสามทุ่มครึ่งพระตีมุรติจะเสด็จจากสวรรค์ลงมารับคําอธิษฐานซึ่งวันเวลาดังกล่าวนี้ก็เลยมีผู้คนไปสักการะกันอย่างคลาคล้ำโดยเฉพาะผู้คนที่เป็นหนุ่มสาวว หลวงนายริดก็เลยตั้งข้อสงสัยกับว่าเหตุใดผู้เช่าสถานที่ทำศูนย์การค้า จึงเลือกที่จะสร้างพระตีมรติซึ่งก็เชื่อกันค่ะว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความรักแล้วก็จะใช้เหตุผลเพื่อแก้อาถรรพ์ก็ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะ่ะแต่เมื่อไปค้นคว้าหาข้อมูลต่อก็เลยได้ทราบว่าแท้จริงแล้วพระตีมรติถือเป็นเทพเจ้าที่ปกป้องวังเพชรบุญมาตั้งแต่เดิมสมเด็จเจ้าฟ้าจุทาทธาธุศราดีโลกท่านเจ้าของวงังทรงบูชาพระตีมรติมาก่อน โดยความเชื่อว่าพระตีมุรติองค์นี้นะคะเป็นของเก่าแก่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองกรุงเทพถูก เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยทิ้งระเบิดบ่อยครั้งวังเพชรบูรณ์ก็เช่นกันค่ะเคยถูกระเบิดลงครั้งใหญ่แต่ระเบิดทั้งหมดด้านนะคะวังเพชรบูรณ์ไม่ได้รับความเสียหายแม้แต่นิดเดียวก็เลยสร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้พบเห็นแล้วก็เพิ่มความเชื่อถือในเรื่องของพระตรีมุรติมากขึ้น สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้ทรงกรมในพระนามว่ากรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชายัยสิ้นพระชนในปี2466ขณะมีพระชนศาเพียง3 1รรรษา ซึ่งระหว่างที่ทรงพระชนรัชกาลที่6ได้พระราชทานที่ดินตรงนี้สร้างวังให้ซึ่งเรียกว่าวังเพชรบูรณ์ทรงปรารถนาให้ตกทอดเฉพาะเชื้อสายของพระองค์เท่านั้นด้วยทรงเกรงว่าทายาทยังเล็กหากทรงเป็นอะไรไปจะถูกผู้อื่นช่อโกงเอาไปจึงทรงทาพิธีสาบโดยในทํานองเดียวกันกับคำสาบของสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาฏ แต่ว่าท่านเองทรงเชี่ยวชาญด้านศินละปะแล้วก็ดนตรีจึงทรงมีนามพระไทยอ่อนผ่อนปลนตั้งข้อยกเว้นไว้ว่าในการเบื้องหน้าถ้าผู้ใดมีน้ำใจเป็นกุศลใครได้วังนี้ไปก็ต้องทดแทนทรงระบุไว้ในข้อยกเว้นแห่งคํำสาบว่าต้องไปสร้างสารเจ้าพ่อเสือในที่ดินแปลงหนึ่งที่อยู่รังสิตแล้วก็มีรายละเอียดอื่นๆอีกนะคะซึ่งจําไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ระบุไว้นะคะว่าอย่างไร จนล่วงมาในปีพุทธศักราช2520ก็มีการเปิดพินัยกรรมขึ้นค่ะของทายาทนะคะของอท่านเองโดยหลังจากที่ทนายได้ทำการเปิดพินัยกรรมนะคะก็มีการนำที่ดินนี้ออกมาประมูลหาผู้ลงทุนผลการประมูลกลุ่มนายอุเทนเตชะไพบูลได้ชนะ การประมูลครั้งนี้ไปนะคะขณะนั้นตระกูลนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นมหาเศรษฐีเมืองไทยก็ตั้งใจตามดูว่าคำสาบแช่งนี้จะเป็นอย่างไรในปีพุทธศักราช2532 ก็มีคำเตือนไปถึงคนในตระกูลนี้ค่ะบอกว่าให้แก้คําสาบไม่งั้นคงเสี่ยงในสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นแน่แต่ว่าตระกูลนี้เขาก็ไม่เชื่อนะคะเขาบอกว่าพ่อเขามีสินแสดีมีการแก้ในเชิงห่วงจุ้ยที่หัวมุมตรงตามหลักวิชาห่วงจุย้ยทําเป็นเนินดินคล้ายกับห่วงซุยแล้วก็ทําพิธีกรรมโดยมีวิชาของปอเต็กตึงอีกหลายอย่าง แต่ก่อสร้างไม่ทันเสร็จทั้งโครงการนะคะตระกูลเตชะไพบูลที่มหามังคขั่งก็มีอันเป็นไปทั้งครอบครัวแล้วก็ทรัพย์สินดังที่รู้กันอยู่ค่ะต่อมาตระกูลจิราที่วัดก็มารับช่วงที่ดินและก็โครงการนี้คราวนี้เนี่ยหาผู้มีวิชาทางพรามแนะนให้แก้โดยสร้างตรีมุรติซึ่งเป็นมหาเทพในอินดูผลก็คือมีเทพองค์ต่า ง, ตา ง, ตา ง, ตางเต็มไปหมดละหาทั้งพระอินพระพิคเนธนะคะหวังดูดทรัพย์พลังจากฝั่ง เท้ามหาพรหมด้วยแต่ว่าวันนี้ก็คงเห็นกันแล้วนะฮะว่าแก้คํำสาปได้หรือไม่ก็ต้องคอยดูในอนาคตนะฮะว่าตระกูลจิราธีวัดจะเจอๆๆอะไรกันต่อไปเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไงยังไงชอบกวนอยู่อันคํำสาปนั้นเป็นการกระทําอธิษฐานชนิดหนึ่งในจําพวกอธิษฐานฤทธิ์แต่ว่าจัดเป็นฤทธิ์จำพวกสายเวทคือมีการอัญเชิญเทพหรือว่าพูดผีวิญญาณมากํากับให้เป็นตามคำาํำสาป เมื่อผู้ที่สาบแช่งได้เสียชีวิตแล้วนะคะก็จะต้องมารักษาคำสาบจนกว่าจะพ้นกรรมหรือมีผู้มารับหน้าที่แทนนั่นเองค่ะ คราวนี้มีเก้าวิญญาณเข้ารับช่วงแล้วและน่าจะแรงยิ่งกว่าเก่าก่อนเจ้านายบางท่านเนี่ยไม่ต้องการเฝ้าคํำสาบแต่ว่าไม่ต้องการให้มรดกตกแก่คนอื่นก็ใช้หนทางตามกฎหมายคือทําพินัยกรรมแล้วก็ทูลเกล้าถวายเมื่อพระเจ้าแผ่นดินมีพระบรมราชโองการว่าให้พินัยกรรมมีผลบังคับเป็นกฎหมายพินัยกรรมนั้นก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้นอกจากกฎหมายค่ะ สำหรับอาถรรพ์ของวังเพชรบูรณ์มาจากเรื่องอะไรจากเรื่องการรื้อทำลายกุฏของพระจอมเกล้าจากคำสาปแช่งของเจ้าของวังและจากการสร้างพระติมุรติบูชานายหลวงฤทธิ์เขียนทิ้งทายว่าขอให้อยู่ในวิจารณญาณของท่านผู้อ่านทุกคนเช่นกันค่ะทั้งหมดที่นำเสนอไปในวันนี้ก็ขอให้อยู่ในดุลยพินิจและก็วิจารณญาณของคุณผู้ฟังในช anel พระเจอผีแล้วก็เพจพระเจอผีเช่นกันค่ะ